บอกหลายคนว่าพอรู้อะไรดีแล้วเนี่ยก็เริ่มชอบสอนแล้วพอชอบสอนเนี่ยมันมีคนชอบถามด้วยส่วนตัวพอเราชอบสอนเขาชอบถามเราเลยกลายเป็นต้องเป็นคนที่รู้เรื่องเยอะโดยปริยายพอเราเป็นคนที่ต้องรู้เรื่องเยอะเราจะไม่ยอมที่จะไม่รู้เรื่องแะเราเลยต้องกลายเป็นบุคคลคนหนึ่งขึ้นมาอีก อีกอย่างหนึง่งคือเราต้องเป็นผู้รู้ขึ้นมาเราก็ลำบากเลยทีนี้สงสัยอะไรเราต้องหาคําตอบให้ได้เราก็เลยเข้าอยู่ในโลกของความคิดเราก็เลยกลายเป็นมีหมูกระดาษตัวใหม่ในชีวิตเราคือเราเป็นผู้รู้สุดท้ายมันลำบากตัวเราเองผมจะบอกบ่อยว่าการปฏิบัติธรรมคืออะไรคือเราต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งสิ่งนั้นเป็นความรู้ด้วยก็ตาม เพาในที่สุดเราปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อจะได้อะไรเลยเพื่อจะปล่อยทุกสิ่งปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งลงไปเราก็เป็นอิสระถ้าเราไม่ปล่อยเราก็จะคิดว่าอยากได้นี่อยากได้นั่นต้องรู้ตรงนี้ต้องรู้ตรงนั้นเป็นความรู้อะไรเงี้ยมันจะหนักอ่ะมันจะหนักสาหรับเราเราเคยได้ยินคำว่าเจตนิพนจาก สภาพปรุงแต่งทั้งปวงเรากคได้ยินแบบนี้ใช่ไหมจิตที่พ้นไปจากภาวะปรุงแต่งทั้งปวงเนี่ยมันจะเกิดกิเลสได้อีกไหมสมมติว่าเราเจอเหตุการณ์่างเนี่ยมันต้องโกรธแน่ๆ่อืไม่มีทางที่จะไม่โกรธเลยต้องโกรธแน่แน่เหตุการณ์แบบนี้เหตุปัจจัยทุกอย่างนีที่จะทำให้เราโกรธเนี่ยมันมาพร้อมเลยถ้าเป็นมาก่อนในกปทันทีว่าง่ายแต่อันนี้เกิดไม่ได้มันไม่เกิดเอง คือต่อให้เราพยายามจะไปคิดว่าเออ้ ي, ทําแบบนี้ไม่สมเหตุสมผลนะมันทํำไมทําแบบนี้ไม่ควรจะทําแบบนี้นะอะไรเงี้ยตามที่เราเคยคิดสมัยก่อนที่เราโกรธเงี้ยมันก็รู้เหตุรู้ผลรู้ทุกอย่างมาและแต่มันไม่ปรุงไปโกรธอันนี้แหละเขาเรียกว่าจิตที่อยู่ในสภาพที่พ้นจากภาวะความปรุงแต่งท่องปรุงเพราะฉะนั้นมันมีกิเลสไม่ได้ เพราะว่ามันไม่ไม่มีอะไรที่จะปรุงแต่งจิตอันนี้ได้อีกแล้วนี่แหละเขาเรียกว่ามันพ้นจากสภาพปรุงแต่งทั้งปวงคือไม่มีอะไรไม่มีเหตุปัจจัยอะไรปรุงแต่งให้มันหลงผิดได้อีกแล้วถ้ามันยังโกรธได้อยู่แปลว่ามันหลงผิดอยู่ไอ้จิตดวงเนี้แล้วมันจะเป็นพระอรหันต์ได้ยังไงเราจะคิดทำ ม, มา้าคิดอะไรก็ได้แต่ให้เรารู้ว่าอย่าเพิ่งปักใจเชื่อเพราะสุดท้ายสิ่งที่เราเจอเนี่ย มันจะไม่เหมือนที่เราตีความเราเองเหมือนคําพูดที่ผมบอกนะจิตที่พ้นจากภาวะปุงแต่งทั้งปวงเนี่ยถ้าตีความไปอย่างหนึ่งใช่ไหมเราก็ตีความไปอย่างหนึ่งใช่ไหมพอใช้ความคิดนี่เราก็เลยรู้ว่าความคิดนี่มันหลอกเราตะลอดเพราะอะไรเราคิดจากประสบการณ์เก่าๆของตัวเองว่าอ๋อมันน่าจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นจับไอ้นี่ประติประตออะไรนี้แต่ว่าภาวะธรรมเรียกว่า จิตใจที่มันเข้าใจธรรมะเนี่ยใจิตใจที่มันมีความเข้าใจความจริงมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะรู้สึกว่ามันอัศจรรย์อันนีมันนอกเหตุเหนือผลต้องใช้คําคํานี้งเหมือที่หลวงพ่อชาเคยใช้นอกเหตุเหนือผลมันคิดเอาไม่ได้จินตนาการเอาไม่ได้มันต้องเจอเองแล้วมันก็โอ้ทําไมธรรมะถึงเขาบอกอัศจรรย์ก็ อ, อัศจรรย์เพราะมันคิดไม่ได้ มคิดไม่ถึงว่ามันจะเป็นแบบนี้ได้ยังไงเราเคยคิดไหมล่ะ ว, ว่าเรื่องที่เราโกรธกะบีตบันทุกครั้งแล้วเราไม่โกรธได้เป็นไปได้ยังไงมันไม่น่าเชื่อใช่ไหมอ่เราไปฟังมาว่ามีกโกรธแต่ไม่ยึดอย่งเงี้ยงั้นเราก็กําลังเถียงพระไตรปิดกเหมือนกันได้ไหมว่าพระอนาคามีอย่างนี้รัากกรามและปฏิฆะได้ลนะปฏิฆะคืออะไรความขุนเคืองเล็กน้อยยังไม่ถึงโกรธเลยยังไม่มีเลยแล้วเราจะบอกว่าพระรหัสมีโกรธ งั้นก็พระอานาขาจะเป็นอะไรไม่มีโกดแล้วกลับไป ม, มีโกรธใหม่มันก็ขัดกันเองเราก็ไว้ไปเจอเองแล้วก็รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอย่างเมื่อก่อนเราไ ป, ไปอ้างว่าคันห้ามันทํางานของมันตามธรรมชาติแต่เรายังไม่เข้าใจถึงการที่ว่าคันห้าทํางานตามธรรมชาติจริงๆแต่คันห้านี่มันบริสุทธิ์แล้วคือหมายความว่า สัญญาที่อยู่ในขันห้านี่มันไม่วิปลาสแล้วเมื่อก่อนเรามีอวิชชาเนี่ยสัญญามึงวิปลาสสัญญาวิปลาสเนี่ยจิตใจที่เต็มไปด้วยอวิชชาเนี่ยก็ใช้สัญญาที่วิปลาสนี้ตัดสินลงความเห็นดีชั่วถูกผิดพอมันตัดสินลงความเห็นปุ๊บดีชั่วถูกผิดมันก็เกิดตัณหาเกิดตัญหากเกิดอุปาทานอันนี้ก็ยึดก็เกิดเป็นอะไรความทุกข์ขึ้นมาในที่สุด เพราะว่าไปยึดเอาสิ่งที่ตัดสินนั้นมาเป็นของเรามาเป็นตัวเรามันก็เลยเกิดกิเลสเกิดโทสะเกิดโลภะเกิดโมโหะตามมามันก็เป็นวงจรแบบนั้นแต่ถ้าเราไม่มีอวิชชาจิตใจบริสุทธิ์ไม่มีอวิชชาขันห้าทํางานอย่างบริสุทธิ์แล้วสัญญาไม่มีประลาดแล้วเวลามันเห็นมาเห็นเฉยๆมันไม่ตัดสินมันไม่ลงความเห็นมันจะเห็นเป็นสภาพของอะไรของตัฐตา เป็นเช่นนั้นเองมันเห็นมันเป็นเช่นนั้นเองเป็นตถตาเป็นธรรมะขั้นนั้นไปเลยมันก็จบพอมันเห็นเป็นเช่นนั้นเองมันจะมีอะไรมันก็ไม่มีอะไรมันก็เข้าใจธรรมชาติทําไมมันจิตนี่ถึงจะพ้นจากสภาพปรุงแต่งทั้งปวงได้ก็เพราะว่ามันเข้าใจธรรมชาติของสรรพสิ่งไปแล้วจิตนี่มันเข้าใจธรรมชาติไปแล้วมันถึงไม่โง่ไปลงความเห็นไปตัดสินจนเกิดกิเลสเกิดโกรธเกิดโลคเกิดหลงมันเลยไม่ทําแบบนั้น มันกลายเป็นมันเข้าใจในเหตุปัจจัยก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้เพราะอย่างนี้มันอัตโนมัติเลยจิตที่มันฉลาดแล้วจิตใจที่มันฉลาดเนี่ยมันรู้รอบมันรู้หมดมันรู้อะไรเป็นอะไรหมดมันเห็นเหตุเห็นปัจจัยหมดในขณะเดียวนั่นแหละมันเลยไม่มีขณะของความโง่ที่ไปปรุงแต่งกิเลสมันเลยเกิดไม่ได้อาจรย์นะหลวงพ่อเทียนเคยพูดว่าให้ผู้หญิงนั่งข้าง เอาเส้นได้สีแดงใช่ไหมกั้นเอาไว้แค่นั้นเนี่ไม่รู้สึกอะไรเลยมีคนถามผู้ด้วยเจ้าว่าผู้ด้วยเจ้าเนี่ยยังมีราคะไหมกรรมราคะอะไรงเงี้ยผู้ด้ยเจ้าก็ตอบว่าเราไม่มีเพราะเราไม่มีกรรมวิตกวิตกก็เกิดก็คือคิดใช่ไหมคือเราไม่เข้าไปคิดปรุงแต่งกับสิ่งที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราตรงนั้นพอมันไม่คิดปรุงแต่ง มันก็ไม่มีปัญหามันก็มา้บอสรมิคำมันได้ว่าเห็นก็เห็นเฉยเฉยได้ยินก็ได้ยินเฉยเฉยก็ไม่มีเรื่องแต่ทุกวันนี้มันมีเรื่องเพราะอะไรมันเห็นเฉยเฉยไม่ได้ได้ยินเฉยเฉยไม่ได้ได้ยินปุ๊บปรุงเลยคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เห็นแล้วก็ปรงก็ได้ยินปุ๊บก็โกรธเลยเนี่ยมันไม่รู้ได้ว่ามันปรุงคือมันเร็วมากความทุกข์นี่มันเกิดขึ้นรวดเร็วจนไม่น่าเชื่อว่าในความเป็นจริงแล้วโอ้โหมันถูกปรุงไปได้วยตั้งเยอะแล้วว่ามันจะกรุง แต่พอเราปฏิบัติทำก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าจะไม่โกรธก็ได้แต่เรื่องที่เราโกรธมันถึงพ้นจากทุกทั้งปวงเพูดว่าดับทุกโดยสิ้นเชิงถ้ายังมีอะไรเกิดจะมีอะไรดับอยู่ถ้ะดับทุกโดยสิ้นเชิงนั่นเอมันก็ขัดกันดีอ่ะที่ผมบอกเขาที่แล้วใช่ไหมว่าความว่างเนี่ยมันเหมือนเรากําลังโม่แป้งในระหว่างที่เราเดินหมุนไอ้เครื่องโม่แป้งไปเรื่อยเหมือนคนจีนสมัยก่อน เขาก็หมุนไปเรื่อยอย่างเงี้ยแป้งมันยังไม่ออกมาให้เราเห็นแต่ถามว่ากาลังทำงานอยู่ไหมข้างในนันกลังทำงานอยู่ใช่ไหมมันกาลังบดกาลังเบียดกาลังอะไรก็ตามทีให้มันเล็กละเอียดอะไรอย่างเงี้ยจนมันครบรอบมันมันก็ออกมาได้เหมือนกันจิตใจที่คุ้นเคยแล้วก็สัมผัสแล้วก็นุ้จักความเป็นปกติที่บ่อยๆมันก็เหมือนกัน มันกำลังถูกความว่างเนี่ยชะล้ า, างขัดเกลื่อเปรียบเสมือนก้อนหินที่ผมบอกใช่ไหมก้อนหินที่เหลี่ยมเหลี่ยมมีเหลี่ยมมีคมแล้วก็เวลากระแสน้ำํำก็พัดพากระแสลมใช่ไหมพัดพาให้หินนี้กลิ้งไปกลิ้งมากลิ้งไปกลิ้งมาจนในที่สุดมันก็กลมมนสวยงามก็อย่างนั้นเราไม่ได้เสียเวลาเปล่ากับการที่เราจะอยู่ความเป็นปกติ หรืรู้จักความว่างนี่เไว้ทุกขณะที่เรารู้จักมันจิตใจเราเป็นปกติอยู่นี่มันกาลังทํางานธรรมชาตินี่กำลังทํางานอยู่เราแค่รอเวลาที่มันทํางานจนสมบูรณ์เราอย่าไปคิดว่าถ้าเราอยู่ปกติเฉยเฉยมันไร้ค่าไม่ใช่ไร้ค่าเป็นมีค่ามหาศาล <laughs> เราปกติแต่เราไม่ขี้เกียจเราปกติเราทําอะไรได้หมดทุกอย่างเลยเราทําการทํางาน งานบ้านล้างจานซักผ้าถูบ้านไปตลาดต้องทำได้หมดทุกอย่างเลยแล้วทำได้อย่างมีความสุขด้วยเพราะว่าจิตมันฉลาดทำเป็นหน้าที่เฉยเที่บอกว่าการปฏิบัติธรรมเป็นหน้าที่คือแบบนี้นี่เป็นหน้าที่ที่สมบูรณ์ก็คือว่าอยู่บนความว่างบนความเป็นปกติแต่เพียงแต่ว่าพวกเราเนี่ยความเป็นปกติมันยังไม่แน่นหนามยังไม่อะไรเนี่ยก็ อย่าพิ่งไปอยู่ในที่ที่มันจะสูญเสียความเป็นปกติง่ายอันนี้เราต้องซ้อมก่อนฝึกให้มันดีก่อนแล้วทำงานทำการที่จำเป็นของตัวเองเนี่ยทำไปก็คืองานส่วนตัวนี่แหละมีจวัดประจำวันดูแลบ้านช่องห้องน้ำห้องนอนให้สะอาดสะอา้านนี่เป็นหน้าที่เราให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อย เ, ออเราจะทำได้แบบไม่ขี้เกียจไม่เหนื่อยไม่อะไรด้วยเราก็ เพระเาะอะไรเพราะเราทำอยู่บนความรู้สึกตัวนี้แจนถ้าเราทําอยู่บนความคิดนะทำหน่อยก็เหนื่อยทําหน่อยก็ไม่ไหวละทําหน่อยก็เพียทีนี้มันรู้บนความคิดตลอดยกเว้นว่าร่างกายไม่ไหวก็อกเรื่องนะสมมุติร่างกายป่วยไม่สบายนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่หมายถึงว่าคนส่วนใหญ่มันก็ใช้ความคิดไงทำทำหน่อยก็เดี๋ยวคิดถึงไอ้นั่นนะไอ้นั่นไม่เห็นทําเราทําอยู่คนเดียวไปเรื่างนั้นแหละคือเราต้องรู้หน้าที่เรา เหมือนพระพระเขาก็มีหน้าที่ใช่ไหมต้องดูแลเสนาสะนะอันี่เป็นหน้าที่ของพระเราก็ทําตัวเหมือนพระเราก็ดูแลเสนาสะนะเราเหมือนกันเออันนี้เป็นหน้าที่เราถือเป็นวินัยเลยทีเดียเหมือนเราต้องเดินจงกลมเนี่ยพระเขาก็ต้องปฏิบัติธรรมเอเราทําหน้าที่ไม่ต่างจากพระหรอกเราแค่ไม่ได้โกนหัวแค่นั้นเองแต่เราแค่ไม่มีคินได้มนเหมือนพระเราก็โชคดีหน่อยเราก็ใช้เวลาได้เต็มที่อะไรอย่างนี้